บทที่สิความมุ่งมั่นความพยายามอย่างไม่ลดละสิ่งจําเป็นในการสร้างศรัทธาขั้นตอนที่8สู่ความร่ํารวยความมุ่งมั่นเป็นปัจจัยสําคัญในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองพื้นฐานของความมุ่งมั่นคือพลังแห่งความตั้งใจเมื่อรวมความตั้งใจเข้ากับปณิธานแล้วจะเกิดสิ่งซึ่งไม่มีอะไรมาต้านทานได้ บางครั้งคนที่สร้างความมังคังร่ำรวยให้ตัวเองก็ถูกเรียกว่าเป็นคนเลือดเย็นหรือปราศจากความเมตตาเป็นการสรุปที่ง่ายเกินไปเนื่องจากผู้ที่ตำหนิมักไม่เข้าใจว่าที่พวกเขาทำได้ก็เพราะมีปณิธานอันยิ่งใหญ่รวมกับพลังแห่งความตั้งใจซึ่งผสมผสานกันด้วยความมุ่งมัน่นมันผสมผสานกัน กลายเป็นความมั่นใจในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์คนส่วนใหญ่พร้อมที่จะโยนความตั้งใจและเป้าหมายทิ้งไปแล้วลมเลิกตั้งแต่ในครั้งแรกที่พบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดไว้หรือเมื่ออับโชคมีน้อยคนนักที่ยืนหยัดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเจอสิ่งอุปสรรคมากเท่าไหร่ก็ตาม อาจไม่มีวีวรบุรุษคนใดเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นได้แต่ความมุ่งมั่นก็มีคุณสมบัติพิเศษเปรียบเหมือนเพชรทีท่สามารถตัดเหล็กได้เพราะมันแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าการสร้างความมั่งคั่งนั้นเกี่ยวข้องกับการนำหลักแห่งปรัชญาทั้ง13ข้อไปประยุกต์ใช้คุณต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างท่องแท้ แล้วนำมันไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความร่ำรวยบททดสอบความมุ่งมั่นของคุณถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปใช้อย่างจริงจังบททดสอบความมุ่งมั่นบทแรกของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มทำตามขั้นตอนหกประการที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 3, สามศรัทธาถ้าคุณไม่ได้เป็นคนหนึ่ง ในกลุ่มคนส่วนน้อยที่มีเป้าหมายที่แน่นอนและวางแผนการไว้เรียบร้อยหมดแล้วอาจทำให้คุณอ่านแต่คำแนะนำโดยไม่เคยนำไปประยุก์ใช้ในชีวิตประจำวันเลยการขาดความมุ่งมั่นเป็นสาเหตุสำคัญของความล้มเหลวยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์ของผมที่ได้จากการพิสูจน์ผู้คนนับพันพบว่าการขาดความมุ่งมั่น เป็นความอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดในผู้คนส่วนใหญ่ยังไรก็ตามความมุ่งมั่นจะเอาชนะความอ่อนแอได้และพลังแห่งปณิธานของคุณก็สามารถเอาชนะความไม่มุ่งมั่นได้จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือปณิธานดังนั้นจงเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจของคุณให้ดีปณิธานที่อ่อนแรงยอมไม่ทำให้เกิดผลใดๆเปรียบเสมือนไยกองเล็ก ยอมให้ความร้อนได้ไม่มากดังนั้นคุณอาจแก้ไขความอ่อนแอและขาดความมุ่งมัน่นโดยการสร้างไฟในตัวคุณจากปณิธานของคุณโปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปให้จบแล้วกลับไปยังบทที่สามเพื่อเริ่มต้นนำเอาคำแนะนำทั้งหขั้นตอนมาปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความกระตือรือร้อนแล้วมันจะบ่งบอกเอง ว่าคุณมีปณิธานที่จะรวยมากน้อยแค่ไหนหากคุณพบว่าตัวเองไม่ค่อยใส่ใจคําแนะนํานี้แล้วแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าตัวคุณเองไม่มีสํานึกแห่งความร่ํารวยการที่คุณจะสามารถสร้างความร่ํารวยได้นั้นจําเป็นต้องมีสํานึกนี้เสียก่อนคนที่ได้เตรียมจิตใจตัวเองไว้ดีแล้วจะดึงความมั่งคั่งให้หลั่งไหลเข้ามาหาเองเหมือนสายน้ํา ย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีความมุ่งมัน่นจงตั้งใจอ่านคำแนะนำในบทที่11พลังแห่งการระดมความคิดการทำให้ตัวคุณเองถูกแวดล้อมด้วยทีมงานระดมความคิดและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในทีมจะทำให้คุณสามารถพัฒนาความมุ่งมั่นได้คุณจะได้คำแนะนาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนาความมุ่งมั่นด้วยในบทที่หการเสนอแนะตัวเองและบทที่13จิตใต้สำนึกจงปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเหล่านี้จนกระทั่งคุณเกิดนิสัยที่จะถ่ายทอดมโนภาพแห่งสิ่งที่คุณปรารถนาไปสู่จิตใต้สำนึกได้เมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่มีปัญหาการขาดความมุ่งมั่นอีกเลยจิตใต้สำนึกของคุณ จะทำงานต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่นคุณมีสำนึกแห่งความร่ำรวยหรือสำนึกแห่งความยากจนคุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากกฎต่างๆหากนำกฎนั้นไปใช้บ้างไม่ใช้บ้างคุณต้องประยุกต์ใช้กฎทั้งหมดจนมันกลายเป็นนิสัยติดตัวไม่มีหนทางอื่นใดที่คุณจะใช้เพื่อพัฒนาสานึกแห่งความร่ารวย เงินทองจะถูกดึงดูดมาสู่คนที่มีความตั้งใจเปิดรับมันส่วนความยากจนก็จะถูกดึงดูดไปสู่คนที่มีจิตใจเปิดรับมันเช่นกันถึงแม้ว่าเราต้องตั้งใจที่จะพัฒนาสำนึกแห่งความร่ำรวยแต่สำหรับสำนึกแห่งความยากจนแล้วมันเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างนิสัยเพื่อให้พร้อมรับมัน ถ้าคุณเข้าใจข้อความที่ผ่านมาก็จะเข้าใจถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งร่ารวยถ้าปราศจากความมุ่งมั่นคุณจะแพ้ก่อนที่จะเริ่มทำอะไรซสอีกโดยความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะทำให้คุณชนะหากคุณเคยฝันร้ายคุณจะตระหนักถึงความมุ่งมั่นเป็นอย่างดีขณะที่คุณกาลังนอนเครึ่องหลับเครื่องตื่นอยู่บนเตียง ด้วยความรู้สึกตกอยู่ในผวังไม่สามารถพลิกตัวหรือเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเมื่อคุณตระหนักว่าต้องเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อของคุณคุณจะเริ่มใช้ความพยายามผ่านพลังใจอย่างต่อเนื่องจนทําให้คุณสามารถขยับนิ้วมือได้ในที่สุดต่อจากการขยับนิ้วคุณขยายการควบคุมไปสู่แขนจนกระทั่งสามารถยกมันได้เมื่อคุณยกแขนอีกข้างหนึ่งได้ในที่สุด ก็ควบคุมกล้ามเนื้อขาข้างหนึ่งได้อีกแล้วก็ตามมาด้วยขาอีกข้างหนึ่งด้วยความพยายามและตั้งใจอย่างสูงทำให้คุณควบคุมระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และตื่นขึ้นจากฝันร้ายได้มันเป็นการกระทำที่เป็นขั้นเป็นตอนคุณอาจปลุกจิตใจที่เฉื่อยชาด้วยวิธีการเดียวกันนี้ขั้นแรกด้วยการกระตุ้นจิตใจช้าๆ แล้วเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสามารถควบคุมความตั้งใจได้ในครั้งแรกๆคุณไม่ต้องสนใจว่ามันจะช้ามากแค่ไหนจงมุ่งมั่นทำต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นปลุกจิตใจที่เฉื่อยชาให้ตื่นขึ้นถ้าคุณได้คัดเลือกทีมระดมความคิดของคุณด้วยความระมัดระวัง คุณน่าจะได้ผู้ใดผู้หนึ่งในทีมนั้นที่สามารถช่วยพัฒนาความมุ่งมั่นให้คุณได้คนที่สร้างความร่ำรวยมหาศาลบางคนทำแบบนี้ด้วยความจำเป็นเขาพัฒนาอุปนิสัยมุ่งมั่นได้เพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวบังคับให้เขาต้องมุ่งมัน่นคนที่ปลูกฝังอุปนิสัยมุ่งมั่นไว้ดีแล้วจะเป็นหลักประกันความล้มเหลวได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะพ่ายแพ้กี่ครั้งก็ตาม ในที่สุดเขาจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้เหมือนจะมีคำแนะนำซ่อนอยู่ในภารกิจที่มาทดสอบเราให้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้เราหมดกำลังใจคนที่พลิกผันตัวเองขึ้นมาจากความพ่ายแพ้และยังคงพยายามจนกลับมาใหม่ได้ในที่สุดโลกจะกล่าวกับผู้นั้นว่าฉันรู้ว่าเธอทำได้หากผู้ใดไม่ผ่านการทดสอบความมุ่งมั่น คำแนะนําที่ซ่อนเร้นนี้ก็จะไม่ยอมให้ผู้นั้นได้ประสบความสำเร็จนักเรียนที่ไม่พยายามตั้งใจเรียนก็จะทำคะแนนได้ไม่ดีคนที่สามารถเข้าถึงมันได้ยอมได้รับรางวัลตอบแทนจากความมุ่งมั่นนั้นผลตอบแทนที่จะได้รับก็คือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด เขายัางจะได้รับสิ่งซึ่งสำคัญยิ่งกว่าผลตอบแทนทางวัตถุมันคือความรู้ที่ว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวมันได้ให้กำไรชีวิตแก่เราด้วยเช่นกันผ่านพ้นความล้มเหลวด้วยความมุ่งมัน่นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์แห่งความมุ่งมัน่นย่อมจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ใดๆมากไปกว่าความพ่ายแพ้ชั่วคราว เขาจะมุ่งมั่นในปณิธานจนความพ่ายแพ้แปรเปลี่ยนเป็นชัยชนะในที่สุดเราจะเห็นว่าคนที่จมปลักอยู่ในความพ่ายแพ้มักไม่สามารถลุกขึ้นมาได้และจะสังเกตเห็นว่ามีคนไม่มากนักที่ใช้ความขมขื่นจากการพ่ายแพ้เป็นตัวเร่งร้าให้เกิดความมุ่งมั่นสิ่งซึ่งเรามองไม่เห็นและไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่ ก็คือพลังเงียบเป็นพลังที่ไม่สามารถจะต้านทานได้พลังนี้มาเพื่อช่วยผู้คนที่ต่อสู้และเผชิญหน้ากับความท้อแท้สิ้นหวังพลังที่เรากล่าวถึงนี้ก็คือความมุ่งมั่นนั่นเองสิ่งซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือหากคุณปราศจากความมุ่งมั่นคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลยขณะที่กำลังเขียนบรรทัดนี้ ผมมองออกนอกหน้าต่างไปไม่กี่ช่วงตึกก็สามารถมองเห็นโรงละครบลอดเวยอันยิ่งใหญ่และหน้าพิศวงได้มันเป็นทั้งสุสารแห่งความหวังและชานชลาแห่งโอกาสผู้คนจากทุกคนทุกแห่งทั่วโลกต่างมาที่นี่เพื่อหาชื่อเสียงโชคลาภพลังอำนาจความรักและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เรียกว่าความสำเร็จ จากขั้นตอนการค้นหาดาราที่ยาวนานหากใครสักคนกล้าออกมายืนแถวหน้าได้เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทันทีคนทั้งโลกจะได้ยินว่าใครเป็นผู้ชนะบนเวทีบลอดเว์แต่เส้นทางแห่งชัยชนะบนบลอดเว์ไม่ง่ายและไม่รวดเร็วเลยบลอดเว์จะรับรู้นักแสดงที่มีพรสวรรค์มีอัจฉริยภาพและจ่ายเงินอย่างงาม ให้เฉพาะคนที่ไม่ท้อถอยเท่านั้นเคล็ดลับนี้มิใช่อื่นใดนอกจากคำว่าความมุ่งมั่นบทวิจารณ์ทุกวันนี้เรามักคิดถึงบลอดเว์ในฐานะของโรงละครเท่านั้นแต่ในหนังสือเล่มนี้นโปเลียนฮิลได้ใช้บลอดเว์ไปในความหมายของตัวแทนภาพรวมของอุตสาหกรรมบันเทิงศิลปะการแสดงและวรรณกรรมของนิวยอร์ก ในหนังสือคิดแล้วรวยฉบับดั้งเดิมนั้นฮิลพูดถึงแฟนนี่เฮิร์สต์นักเขียนหนังสือขายดีในช่วงนั้นซึ่งไปไปมามาอยู่บนถนนในนิวยอร์กถึงสปีและถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งถึง36ครั้งก่อนที่เธอจะได้รางวัลแห่งความมุ่งมั่นคืองานเขียนของเธอได้รับการตีพิมพ์ในที่สุดถึงแม้ว่านโปเลียนฮิลจะเลือกแฟนนี่เฮิร์สต์ เป็นตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นการเอาชนะความยากจนและอุปสรรคเขารู้เรื่องราวทั้งหมดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองเรื่องราวส่วนตัวของฮิวเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายและต้องเผชิญกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องยอมแพ้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเขาทำให้หนังสือฉบับดั้งเดิมได้ตีพิมพ์ออกมาและด้วยเหตุผลนี้ ทำให้ผู้เขียนต้องรวบรวมอัตชีวประวัติของเนโปลียนฮิเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยข้อความต่อไปนี้ได้มาจากหนังสือ A Life Time of Riches: The Biography of Napoleon Hill เขียนโดย m ม c h a e เจ e ร r ต t และ Kirk Lander และหนังสือขายดีเล่มแรกของเนโปลียนฮิคืองานเขียน4ชุดของเขาที่ชื่อ Law of Success ฮิลได้บอกเล่าถึงจุดเปลี่ยนเจ็ดประการในชีวิตจริงของเขาโดยผู้เขียนได้นำข้อความที่ตัดตอนมาจัดพิมพ์ใหม่โดยรูปแบบตัวอักษรเดียวกันกับที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ย้อนไปในวัยเด็กฮิลเกิดในครอบครัวที่ยากจนในเวอร์จิเนียเขาได้รับฉายานามว่ามือปืนเด็กเล่นจอมซนพ่อของเขาเป็นไม้และได้แต่งงานใหม่กับมาธาเรมเมร่บนเนอร์ มันดาเลี้ยงของฮิววางแผนที่จะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเสียใหม่เธอเริ่มด้วยการล่อใจให้เขาเป็นนักพิมพ์ดีดโดยของรางวัลคือปืนสั้นเธอบอกเขาว่าถ้าเธอพิมพ์ดีดได้ดีเหมือนกับที่เธอใช้ปืนเธอจะมีชื่อเสียงก้องโลกเลยทีเดียวปณิธานและการให้กําลังใจของเธอได้เปลี่ยนหนุ่มน้อยไปเมื่อเขาอายุ15ปีเขาเสนอบทความไปที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และทำทุกสิ่งให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนค้นแค้นหลังจบการศึกษาระดับมัธยมและได้เข้าเรียนในวิทยาลัยธุรกิจปีหนึ่งเขาได้ใช้ความกล้าเขียนจดหมายไปถึงรูฟัตเอเยอร์หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแห่งอุตสาหกรรมฐานหินฮิวเขียนใบสมัครงานโดยบอกไปว่าเขาไม่ต้องการเงินเดือนนอกจากนี้เขาจะเป็นฝ่ายจ่ายให้เอเยอร์ฮิวเสนอไปว่า สำหรับการทดลองงานหนึ่งเดือนแรกเอเยอร์สามารถคิดค่าใช้จ่ายกับเขาเท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการแต่ถ้าเขาทำงานครบสามเดือนแล้วและสามารถพิสูจน์ความสามารถของเขาแล้วเาหวังว่าเอเยอร์จะจ่ายเงินเดือนกลับให้เขาในจำนวนเท่ากับที่เขาจ่ายไปเอเยอร์ชื่นชมในวิธีการของฮิวมากและยอมจ่ายเงินเพื่อจ้างเขาทันทีฮิวกล่าวว่า จุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งแรกหลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยธุรกิจแล้วผมก็ได้งานเป็นนักชาวเลขและนักบัญชีผ้นจากการที่ผมได้ฝึกฝนนิสัยในการขยันทํางานและต้องการทางานให้คุ้มค่าเงินตอบแทนผมพยายามพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วจนได้รับความไว้วางใจและเงินเดือนสูงเกินวัยของผมบทวิจารณ์กล่าว ฮิวยังพิสูจน์ความซื่อสัตย์สุจริตโดยการได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้จัดการแทนที่คนเดิมทำให้เขาได้เป็นผู้จัดการเมืองที่หนุ่มที่สุดโดยมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นและต้องดูแลคนงานกว่า350คนฮิวกล่าวว่าแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับผมนายจ้างของผมหมดอนาคตและผมก็ตกงาน นี่เป็นความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงครั้งแรกของผมและมันเข้ามาโดยที่ผมไม่สามารถควบคุมได้เลยผมไม่ได้เรียนรู้บทเรียนครั้งนี้จนหลายปีผ่านไปจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่สองตำแหน่งใหม่ของผมคือผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทอุตสาหกรรมไม้แปรรูปขนาดใหญ่ทางตอนใต้ผมก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและทำงานดีจนนายจ้างให้ผมร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเขา เราเริ่มทำเงินและผมเริ่มเห็นอนาคตสดใสของตัวเองรออยู่ไม่ไกลและแล้วก็เหมือนกับฟ้าผ่าลงมาในปีคิเตศกราช1907ความตื่นตระหนกแพร่กระจายไปทั่วเพียงข้ามคืนผมต้องทนเห็นธุรกิจของเราถูกทำลายไปและสูญเสียเงินทุกดอลลาร์ที่ผมมีไปต่อหน้าต่อตาบทวิจารณ์กล่าวความตื่นตระหนกที่ฮิวกล่าวถึง เริ่มต้นในฤดูร้อนของปีคิตศักราช1907เมื่อธนาคารส่วนหนึ่งและตลาดหุ้นประกาศภาวะล้มละลายข่าวลือกระจายไปทั่วสาธารณชนทำให้เกิดลุกโซ่ไปสู่ธนาคารอื่นๆเนื่องจากผู้ฝากเงินแห่ถอนเงินที่ตัวเองฝากไว้ทำให้ธนาคารเรียกเก็บหนี้คืนเนื่องจากต้องเก็บเงินสดไปจ่ายแต่ผู้กู้ ก็ไม่สามารถหาลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ได้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถจ่ายหนี้คืนให้ธนาคารได้ธนาคารจึงยึดบ้านหรือธุรกิจที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันธุรกิจถูกปิดกิจการเกษตรกรถูกไล่ที่คนตกงานธนาคารแห่งอื่นๆถูกบังคับให้ปิดเพิ่มขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างเลวร้ายหมดสหรัฐอเมริกา ตกอยู่ในวังวนแห่งความตกต่ำมีเพียงนายธนาคารและผู้บริหารทางการเงินจากวอลล์สตรีทเท่านั้นที่จะช่วยได้โดยพวกเขาต้องนำธุรกิจตัวเองมาเสี่ยงเพื่อช่วยอุ้มธนาคารที่มีปัญหามันกินเวลานา น, านตั้งแต่ความตื่นตระหนกในปีคิศร1907จนมีการออกกฎหมายจัดตั้งระบบธนาคารสำรองสหรัฐอเมริกาในปีคศ1913 ฮิวกล่าวว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่สนี้เป็นความพ่ายแพ้ที่รุนแรงครั้งแรกของผมแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวและก่อนที่จะจบบทนี้ผมจะบอกคุณว่าทำไมจึงไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะปัญหาเศรษฐกิจในปีคิตศ ร, รา .1907 และความล้มเหลวนั้นจึงทำให้ผมเปลี่ยนทิศทางจากธุรกิจค้าไม้แปรรูปไปเรียนกฎหมาย ผมเรียนกฎหมายด้วยความเชื่อมั่นว่าผมจะไปถึงฝันแห่งความร่ำรวยผู้วิจารณ์กล่าวนโปเลียนฮิลวางแผนให้ตัวเองและน้องชายผ่านเข้าไปเรียนกฎหมายโดยบทความที่เขียนให้นิตยสารบ๊อบเทเลอร์สและโดยนิตยสารนี้ทำให้เขาได้พบกับแอนดรูว์แคเนกี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นของหนังสือเมื่อแคเนกี้ เสนอความคิดในการเขียนปรัชญาแห่งความสำเร็จเขาบอกฮิวว่าควรจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองฮิวกล่าวว่าผมตั้งใจเรียนกฎหมายภาคคำ่ำและทำงานเป็นเซลแมนขายรถยนต์ตอนกลางวันเนื่องจากลักษณะของงานผมคิดว่าตัวเองจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ผมได้เปิดแผนกฝึกอบรมขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม และเริ่มฝึกอบรมช่างเครื่องยนต์ในการประกอบและซ่อมรถยนต์กิจการโรงเรียนนี้เจริญรุ่งเรืองและทำกำไรให้ผมถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนายธนาคารของผมรู้ว่ากิจการของผมเจริญรุ่งเรืองจึงเสนอเงินกู้เพื่อให้ขยายกิจการสิ่งแปลกประหลาดที่ธนาคารชอบทำก็คือเขาจะให้คุณกู้เงิน โดยไม่ลังเลใจในขณะที่คุณเจริญรุ่งเรืองธนาคารจะให้ผมกู้เงินไปจนกระทั่งเขาเริ่มสิ้นหวังในนี่ของผมและยึดกิจการผมไปใไนที่สุดซึ่งเขาก็ทำกับผมเช่นนั้นจริงๆจากรายได้มากกว่าหน่พันดอลลาร์ต่อเดือนผมกลายเป็นคนจนไปในทันใดผู้วิจารณ์กล่าวว่าหลังประสบความพ่ายแพ้ครั้งที่สามของฮิวนั้น เขาก็ได้งานใหม่คือทำงานอย่างทุ่มเทให้กับโครงการของคานิกี้นั่นเองฮิวกล่าวว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่สคิตศ์กราช1912ครอบครัวของภรรยาได้ช่วยเหลือผมให้ได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาของหนึ่งในบริษัทฐานหินที่ใหญ่ที่สุดของโลกผมได้ทำงานร่วมกับเพื่อนและญาติญาติและทำงานในตำแหน่ง ซึ่งจะอยู่ไปนานเท่าที่ผมต้องการผมยังจะต้องการอะไรอีกไม่มีแล้วนี่ผมพูดกับตัวเองและแล้วผมก็ขอลาออกโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากเพื่อนและไม่บอกล่วงหน้านี่เป็นทางเดินที่ผมเลือกเองไม่มีใครมากดดันผมผมลาออกจากตำแหน่งนั้นเพียงเพราะมันเป็นงานที่ง่ายเกินไปแทบไม่ต้องอาศัยความภาคเพียรในการทางานเลย การเปลี่ยนงานครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมแม้ว่ามันจะใช้เวลานานนับสิบปีในการเยียวยาความเจ็บปวดในจิตใจผมเลือกชิคาโกเป็นที่ทำงานใหม่ผมตัดสินใจว่าจะต้องสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองที่ชิคาโกได้มันจะพิสูจน์ว่าผมสามารถทำบางสิ่งให้เป็นจริงได้จุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่ห้า งานใหม่ที่ชิคาโกของผมคือผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่สอนทางไปรสนีผมทำงานดีจนผู้อำนวยการโรงเรียนชวนให้ผมลาออกจากตาแหน่งเดิมแล้วไปร่วมทำธุรกิจอุตสาหกรรมลูกกวาดกับเขาเราร่วมกันบริหารจัดการบริษัทลูกกวาดเบสซ e r รอสและผมได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคนแรกธุรกิจไปได้สวยและนไม่ช้า เราก็มีร้านสาขาอยู่ในเมืองต่างๆถึง18เมืองผู้วิจารณ์กล่าวว่าพวกเขากำลังไปได้สวยทีเดียวแต่หุ้นส่วนของฮิวเกิดตัดสินใจว่าจะยึดครองกิจการทั้งหมดโดยเขาคู่ว่าจะทำให้ฮิวติดคุกจากการช่อกงบริษัทและยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยฮิวไปถ้าคืนผลกำไรของเขาให้บริษัทฮิวปฏิเสธที่จะทาตามคาแนะนานั้น และเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลหุ้นส่วนของเขาไม่ยอมมารับฟังคำสั่งศาลหิวฟ้องกลับฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคำวินิจฉัยของศาลได้ช่วยปกป้องหิวไว้และให้โอกาสหิวตัดสินใจว่าจะให้หุ้นส่วนของเขาติดคุกหรือไม่หิวกล่าวว่าถึงแม้ว่าผมไม่ได้ทุจริตแต่การที่เกือบจะถูกจับกลุ่มสร้างความรู้สึกเลวร้ายมาก ผมไม่อยากกลับไปสู่ประสบการณ์เลวร้ายนั้นแต่ผมกลับต้องยอมรับความโศกเศร้าเสียใจนั้นไว้เพราะมันสอนให้ตัวผมเองเรียนรู้ว่าการแก้แค้นไม่มีประโยชน์อะไรจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่6จุดเปลี่ยนครั้งนี้เกิดหลังจากที่ความฝันแห่งความสําเร็จในธุรกิจลูกกวาดพังทลายไม่นานนักเมื่อผมเปลี่ยนไปสอนโฆษณา และการขายในวิทยาลัยแห่งหนึ่งของมิดเวสต์โรงเรียนที่ผมสอนนั้นเจริญรุ่งเรืองมาจากศูนย์ผมมีนักศึกษาให้สอนและมีโรงเรียนคอยให้การสนับสนุนนักเรียนที่ผมสอนแทบทั้งหมดมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษผู้วิจารณ์กล่าวว่าในเดือนเมษายนปีคิตศการาต1917ประธานาธิบดีวูดโรวิลสัน ประกาศสงครามกับเยอรมนีฮิวติดต่อกับประธานาธิบดีซึ่งเขารู้จักผ่านการแนะนำของแอนดรูคารนกีและเสนอบริการของเขาเพื่อช่วยทำสงครามฮิวได้รับตำแหน่งประชาสัมพันธ์และช่วยขายกองทุนเพื่อสงครามเมื่อไม่ได้ทำงานให้โรงเรียนแล้วเขาก็นำตัวเองเข้าไปสู่งานที่เกี่ยวข้องกับสงครามซึ่งเขายืนยัน ว่าได้รับเงินเพียงหนึ่งดอลลาร์ต่อปีฮิวกล่าวว่าการถูกคัดเลือกเกณฑ์ทหารครั้งที่สองได้ทำให้งานสอนในโรงเรียนของผมพังทลายเพราะได้เกณฑ์เอานักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไปเกือบทั้งหมดผมสูญเสียค่าสอนไปถึง7 5 0 0หันดอลลาร์ในคราวเดียวอีกครั้งที่ผมกลายเป็นคนทังแตกผู้วิจารณ์กล่าวว่า ทั้งๆ ท, ที่เขาต้องเก็บออมเงินไว้แต่นาโปเลียนฮิวก็ยังคงทำงานให้ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันโดยไม่ขอรับเงินตอบแทนแต่อย่างใดถึงแม้ว่าฮิวจะมีครอบครัวคอยให้การสนับสนุนแต่คำเยาะเย้ยถักถางของญาติทำให้ความสัมพันธ์แย่มากเขายังคงทำงานให้โครงการของคานิคกี้ไปด้วยฮิวเล่าภายหลังว่าโปรดเชื่อผมว่ามันคือช่วงเวลาที่สับสนมาก ระหว่างความต้องการการช่วยเหลือจากบรรดาญาติญาติของผมและความลำบากใจที่ผมต้องอดทนมันไม่ง่ายนักที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีและรักษามันไว้ได้บางครั้งขณะที่อยู่ในโรงแรมซอมซอ่อผมเชื่อว่าที่ครอบครัวผมพูดนั้นถูกต้องแล้วผมยังคงมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าวันหนึ่งผมจะไม่เพียงแต่ประสบความสาเร็จในงานที่ทาเท่านั้น แต่จะภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วยจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่เจ็ดเพื่ออธิบายจุดเปลี่ยนครั้งที่เจ็ดผมต้องย้อนกลับไปในวันที่11พฤศจิกายนคิตศ1918วันสงบศึกวันสิ้นสุดแห่งสงครามโลกสงครามไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ผมเลยอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วอย่างไรก็ตาม ผมก็มีความสุขที่รู้ว่าการฆ่าฟันกันยุติลงและอริยธรรมกําลังจะกลับมาเวลานี้มาพร้อมกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผมผมนั่งอยู่กับเครื่องพิมพ์ดีดและด้วยความอัศจรรย์ใจอยู่ดีๆมือของผมเริ่มที่จะพิมพ์ลงไปบนแป้นพิมพ์ผมไม่เคยพิมพ์ได้เร็วอย่างนี้มาก่อนเลยผมไม่ได้วางแผนหรือคิดว่าจะพิมพ์อะไร เพียงแต่พิมพ์สิ่งที่คิดอยู่ในใจเท่านั้นผู้วิจารณ์กล่าวว่าสิ่งที่ฮิวเขียนเป็นบทความที่อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ในการสร้างความสําเร็จซึ่งเขาคิดออกมาจากสงครามเขาประกาศว่าจะช่วยกระจายให้โลกรับรู้และให้สัญญาว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะหาเงินมาลงทุนนิตยสารใหม่ที่ชื่อว่า h ิลส์โกลเด้นรูนให้ได้เขานําบทความ ไปเสนอจอร์ดวิลเลียมเจ้าของสำนักพิมพ์ในชิคาโกที่เขาเคยพบขณะทำงานที่ทำเนียบขาวและในช่วงเดือนมกราคมปีคิตศกรัต1919นิตยสารฮิลส์โก d เด Rule ก็ได้วางบนแผงหนังสือนิตยสารฉบับแรกมีจำนวน48หน้าด้วยความที่ไม่มีเงินฮิลส์เขียนและพิมพ์ข้อความทุกคำด้วยตัวเองเขาเปลี่ยนสไตล์การเขียนแต่ละคอลัมน์ โดยการใช้นามประการที่แตกต่างกันเขาได้รับการจ้างงานต่อแต่ในไม่ช้าได้นำมาซึ่งปัญหาทั้งจากข้างในคือวิลเลียมพยายามที่จะซื้อส่วนแบ่งธุรกิจของฮิลอย่างไรก็ตามเมื่อฮิลตระหนักว่าเงื่อนไขหนึ่งของการซื้อส่วนแบ่งคือสกัดกัน้นไม่ให้เขาได้แข่งขันกับสำนักพิมพ์อื่นในเดือนตุลาคมปีคิเตศวรรษ1920 เขาก็ขายมันทิ้งไปอย่างง่ายดายในเดือนเมษายนปีคิตศกราช1921เขาใช้เงินลงทุนเปิดสำนักพิมพ์ใหม่การเกิดขึ้นของนิตยสารของนโปเลียนฮิลก็เป็นกฎทองคำเช่นกันและยังขยายไปยังหลักการแห่งความสำเร็จมากมายที่กลายเป็นหนังสือเล่มต่อๆไปของฮิลการยอมรับและความสำเร็จที่นิตยสารได้รับ ยังทำให้ฮิวประสบความสำเร็จในฐานะนักพูดและนักสร้างแรงจูงใจอีกด้วยซึ่งนับเป็นความสำเร็จสูงสุดของนิตยสารในเวลาเดียวกันนโปเลียนฮิวก็ยังคงทำงานกับนักโทษคนหนึ่งซึ่งถูกจองจำในคุกในการพัฒนาคอร์สฝึกอบรมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพนักโทษสิ่งที่ฮิวทำในช่วงนี้ประสบความสาเร็จเป็นส่วนใหญ่และความสาเร็จของหลักสูตรฝึกอบรมนักโทษนี้ สำคัญต่อฮิวมากแต่ด้วยความโลภของกรรมการสถานกักกันสองคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรรมการสถานกักกันแชฟแลนทํทำให้ไม่เพียงแต่หลักสูตรฟื้นฟูต้องสิ้นสุดลงแต่รวมไปถึงนิตยสารและธุรกิจต่างๆที่พัฒนาขึ้นต้องยุติหมดในปีคศ1923ถ้อ่อยคำเย้ยหยันแห่งความสิ้นหวังดังที่ไมเคิลริบันทึกไว้ในหนังสือ a l i f e Time of b i c h e s ว่าในปีคิตศราศ1920มีวิสาหากิจน้อยมากที่ยึดมั่นอุดมการ์หรือมีมนุษยธรรมพอในการที่จะสร้างจรยิยธรรมในจิตใจมนุษย์วิสาหากิจเหล่านี้กลับไปทำให้คนเกิดความละโมบที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งเมื่อไม่มีนิตยสารให้ทำแล้วหิวก็กลับไปสอนหนังสือ ซึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับนักหนังสือพิมพ์ดอนเมเลตผู้ซึ่งได้ช่วยฮิลตีพิมพ์ผลงานโครงการของคานิคี้ในช่วงเวลานี้เมเลดได้รู้เรื่องของแก๊งขายยาเสพติดและเล่าเทือนให้เด็กนักเรียนในเมือง c คนตันตำรวจท้องถิ่นก็ถูกติดสินบนจึงไม่ทำอะไรกับแก๊งนี้เมเลดโกรธแค้นเรื่องนี้มากจึงตีแผ่เรื่องนี้ในเคนตันไดรีนิวส์ ขณะที่ฮิวก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกสอบสวนคอร์รัปชันของตํารวจหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ฮิวและเมลเลตจะทําข้อตกลงตีพิมพ์หนังสือของฮิลเสร็จสิ้นดอนเมลเลตถูกดักทําร้ายและลอบสังหารนอกบ้านพักของเขาโดยแก๊งอันธพาลและตํารวจเลวพวกเขาพยายามจะฆ่าฮิลด้วยแต่โชคดีที่เขารอดไปได้และหนีไปอยู่ที่ภูเขาสโมกี้ เขาซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมในชนบทที่ห่างไกลเกือบหนึ่งปีเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากไร้และความหวาดกลัวเขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักและแล้วคืนวันหนึ่งเขาก็ได้วิเคราะห์ตัวเองตั้งใจที่จะพาตัวเองออกไปจากความซึมเศร้าและทำงานที่คานิกี้ฝากไว้เมื่อเกือบยี่ปีก่อนให้เสร็จฮิวเดินทางกลับไปฟิลาเดลเฟียเสนอให้สานักพิม ช่วยสนับสนุนด้านการเงินเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงสเดือนจนต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยในเดือนมีนาคมปีคิศักรัต1928หิวก็ได้ตีพิมพ์ผลงานแห่งความภาคเพียรพยายามของเขาหนังสือชุดที่ตั้งชื่อว่า Law of Success ไม่มีใครเคยเห็นหนังสืออะไรเช่นนี้มาก่อนมันได้สร้างประวัติการใหม่กลายเป็นหนังสือขายดีในเวลาหนึ่งปีต่อมา ขณะที่หิวชื่นชมกับผลพวงของการทำงานอย่างยาวนานตลาดหุ้นตกต่ำทุกอย่างจมดิ่งรวมไปถึงตลาดหนังสือด้วยถึงแม้ว่าเขาไม่เคยยอมแพ้เหมือนคนอเมริกันที่เหลือหิวพยายามดิ้นรนให้ผ่านพ้นภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจไปเขาบรรยายเขียนหนังสือและสอนทุกๆอย่างที่สามารถจะทาได้แต่มันยากที่จะสั่งสอนเคล็ดลับความสาเร็จ ให้กับคนในประเทศที่สูญเสียศรัทธาในตัวเองนโปเลียนฮิวเปลี่ยนกระแสสังคมด้วยโปรแกรมพัฒนาตัวเองแต่ผลการตอบรับไม่ดีนักเนื่องจากไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ต้องใช้คนอื่นร่วมด้วยเมื่อแฟรงคลินเดลานร์สเวลได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีได้ชักจูงฮิวให้มาช่วยงานฮิวเชื่อมั่นในนโยบายของรูสเวลล์ ที่ตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน5ประการฮิลจึงเสนอตัวเข้าช่วยเหลือเมื่อปีแห่งเศรษฐกิจตกต่ำได้ผ่านพ้นไปเขาได้กลายเป็นคู่คิดของประธานาธิบดีช่วยคำแนะนำรูสเวลเพื่อพลิกฟื้นสหรัฐอเมริกาเล่ากันว่าฮิลเป็นคนร่างข้อความที่มีชื่อเสียงของรูสเวลความว่าเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นยกเว้นตัวเราเองและถึงแม้ว่าฮิว จะขาดสนเงินแต่สิ่งที่เขาทำให้ประธานาธิบดีนั้นเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆมากไปกว่าเงินเพียงหนึ่งดอลลาร์ต่อปีในปีคิเตศกัราช1937สหรัฐอเมริกาเริ่มเห็นความหวังแม้จะยังดูริบรีว่าภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจกำลังจะสิ้นสุดลงฮิวเสนอสำนักพิมพ์ว่าขณะนี้อเมริกาต้องการหนังสือ ที่จะปลุกเร้าจิตใจและอารมณ์ให้พ้นจากฝันร้ายเขาพูดถูกต้องมีการตีพิมพ์หนังสือคิดแล้วรวยออกมาซึ่งมันสร้างความสำเร็จอย่างถล่มทลายด้วยยอดขายหนึ่งล้านเล่มก่อนที่ภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจจะสิ้นสุดลงงานเขียนของเขาครั้งนี้สร้างยอดขายทั่วโลกมากกว่าหกสิบล้านเล่มและแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็ยังขายได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่มต่อปี จบบทวิจารณ์สร้างความมุ่งมั่นให้ตัวคุณเองความมุ่งมั่นเป็นสภาวะหนึ่งของจิตใจดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนามันได้เหมือนสภาวะส่วนใหญ่ของจิตใจความมุ่งมั่นขึ้นกับเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้เป้าหมายที่แน่นอนขั้นตอนแรกและสําคัญที่สุดในการพัฒนาความมุ่งมัน่นคือรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการ แรงจูงใจที่ทรงพลังจะผลักดันให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ปณิธานการที่เรามีความพยายามที่จะทำให้ปณิธานที่ตั้งไว้ลุล่วงไปนั้นจะทำให้เราสามารถสร้างและรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้ง่ายขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองที่จะทำตามแผนให้สำเร็จลุล่วง จะกระตุ้นให้คุณดำเนินการตามแผนการด้วยความมุ่งมั่นคุณสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองได้ด้วยหลักการที่อธิบายไว้แล้วในบทที่5การเสนอแนะตัวเองแผนการที่ชัดเจนด้วยการวางแผนที่ดีแม้แต่คนที่อ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพก็อาจมีความมุ่งมั่นได้รู้จริงการที่จะรู้ว่าแผนการของคุณดีพอแล้วหรือไม่นั้น ต้องอาศัยประสบการณ์การสังเกตและการกระตุ้นเตือนให้ตัวเองมุ่งมัน่นการเดาเอาแทนที่จะรู้จริงจะทำลายความมุ่งมัน่นความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและร่วมมือกับผู้อื่นจะช่วยพัฒนาความมุ่งมัน่นพลังแห่งความตั้งใจความมุ่งมัน่นมาจากความคิดของคุณที่จดจ่ออยู่กับแผนการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสร้างนิสัยความมุ่งมั่นเป็นผลจากการสร้างนิสัยโดยตรงจิตใจจะซึมซับและกลายเป็นส่วนของประสบการณ์ประจำวันเราสามารถเอาชนะความกลัวซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดได้โดยการบังคับตัวเองให้ปฏิบัติและกระตุ้นเตือนตัวเองซ้ำๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสงครามรู้เรื่องนี้ดี สำรวจตัวเองและกำหนดว่าเป้าหมายใดที่คุณยังขาดไปในการสร้างความมุ่งมั่นนั้นจงตรวจสอบตัวคุณเองทีละจุดและดูว่ามีปัใจจัยใดบ้างในแปดปัดจจัยที่คุณยังขาดไปการวิเคราะห์อาจนำคุณไปสู่การค้นพบและทำให้เข้าใจตัวเองและสิ่งซึ่งจำเป็นต้องทำต่อไปต่อไปนี้เป็นศัตรูตัวจริง ที่ขวางกั้นระหว่างตัวคุณและความสำเร็จมันไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่มุ่งมั่นเท่านั้นแต่มันยังฝังความอ่อนแอลึกลงไปในจิตใต้สำนึกอีกด้วยโปรดศึกษาแต่ละข้ออย่างละเอียดแล ะ, ะเผชิญความจริงด้วยตัวคุณถ้าคุณปรารถนาที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครและคุณสามารถจะทาอะไรได้บ้างมันเป็นจุดอ่อนซึ่งใครก็ตามที่ต้องการความร่ารวยต้องจัดการ 1. ล้มเหลวที่จะตระหนักรู้และกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการ 2. การผัดวันประกันพรุ่งจะโดยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามมักจะตามมาด้วยข้อแก้ตัวและคำขอโทษมากมาย 3. ขาดความสนใจในการหาความรู้เฉพาะทาง 4. ความไม่กล้าตัดสินใจและนิสัยจับจด แทนที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมามักจะตามด้วยข้อแก้ตัวและคาขอโทษเช่นกัน 5. ติดวิสัยพึ่งพาการขอโทษแทนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหา 6. พอใจแต่สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งนี้ยากที่จะแก้ไขและค่อนข้างสิ้นหวังสําหรับคนที่เป็นเช่นนี้ 7. ความไม่ใส่ใจมักจะสะท้อนว่าคุณพร้อม ที่จะยอมตามมากกว่าเผชิญและต่อสู้กับอุปสรรค 8. นิสัยชอบกล่าวโทษผู้อื่นในความผิดพลาดของตัวเองและเมื่อตัวเองอยู่ในสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 9. ขาดปณิธานอันแรงกล้าเนื่องจากคุณละเลยที่จะสร้างแรงจูงใจที่จะผลักดันให้ลงมือทํา 10. เต็มใจที่จะล้มเลิกตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่ายแพ้ ขึ้นกับความกลัวหกประการ 11. ขาดการวางแผนที่ได้เขียนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 12. นิสัยเพิกเฉยที่จะลงมือทำตามความคิดของตัวเองหรือเฉวยโอกาสเมื่อมันเข้าหา 13. อยากทำแต่ไม่ตั้งใจจะทำา 14. นิสัยยอมรับสภาพความยากไร้แทนที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองร่ำรวย ขาดความทะเยอทยานที่จะเป็นที่จะทำที่จะครอบครอง 15. ค้นหาแต่ทางลัดที่จะร่ำรวยพยายามจะได้อะไรมาโดยไม่ลงทุนลงแรงสะท้อนนิสัยนักพนันหรือพยายามต่อรองด้วยวิธีทุจริต 16. กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นคิดทำหรือพูด ทำให้การสร้างแผนการและการนำไปปฏิบัติล้มเหลวนี่เป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของคุณเพราะมันจะเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกโดยคุณเองอาจไม่รู้ตัวโปรดอ่านความกลัว6ประการในบทสุดท้ายถ้าคุณกลัวถูกวิพากวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นบททดสอบอาการกลัวการถูกวิพากวิจารณ์คนส่วนใหญ่มักยอมให้ญาติเพื่อนฝูง และสาธารณาชนมามีอิทธิพลต่อเขาเนื่องจากขาวาัดกลัวการถูกวิพากวิจาร์ดังนั้นเขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้คนมากมายผิดพลาดในชีวิตคู่แต่ก็ยังคงทนอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตตัวเองก็ขมขืนและไม่มีความสุขก็เพราะเขากลัวที่จะถูกวิพากวิจาร์เช่นกันใครก็ตามที่ถูกความกลัวประเภทนี้ครอบงำโปรดรับรู้ไว้ว่า จะเกิดความเสียหายที่แก้ไขได้ยากเพราะมันจะทำลายความทะเยอทะยานและปณิธานที่จะประสบความสำเร็จหลังออกจากรั้วโรงเรียนแล้วคนนับล้านเพิกเฉยไม่สนใจที่จะกลับไปเรียนอีกเพราะเขากลัวถูกวิพากวิจารณ์ผู้คนชายหญิงนับจํานวนไม่ได้ที่ยอมให้ญาติมาทำให้ชีวิตเสียหายด้วยคำว่า ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเพราะพวกเขากลัวการถูกวิพากวิจารณ์ความรับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำลายความทะเยอทะยานส่วนตัวและสิทธทิใช้ชีวิตในแนวทางของตัวเองคนที่ปฏิเสธจะช่วยโอกาสทางธุรกิจก็เพราะเขากลัวคาวิพากวิจารณ์ที่จะตามมาเมื่อทาธุรกิจล้มเหลวในกรณีเช่นนี้ ความกลัวถูกวิพากวิจาร์จะรุนแรงกว่าปณิธานที่จะไปสู่ความสำเร็จนอกจากนี้หลายคนยังปฏิเสธที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงเพราะกลัวคำวิพากวิจารณ์จากญาติและเพื่อนฝูงซึ่งอาจจะพูดว่าอย่าหวังสูงนักเลยคนอื่นเขาคิดว่าคุณบ้าไปหรือเปล่าเมื่อแอนดรูว์คานิกี้แนะนำให้ผมอุทิศเวลาเกือบ20ปี เพื่อสร้างปรัชญาแห่งความสำเร็จขึ้นความรู้สึกแรกของผมคือความกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่ายอย่างไรคำแนะนำของเขาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมจะรับรู้เกี่ยวกับตัวเองสัญชาตญาณแรกของผมคือสร้างข้ออ้างว่าความคิดทั้งหมดล้วนมาจากความกลัวถูกวิพากวิจาร์ในใจของผมพูดว่าเธอไม่สามารถทางานนี้ได้หรอก มันใหญ่เกินไปและต้องใช้เวลามากแล้วญาติพี่น้องจะคิดอย่างไรเธอจะเอาอะไรกินไม่มีใครเคยคิดสร้างปรัชญาแห่งความสำเร็จอย่างนี้มาก่อนเลยจะเอาอะไรเป็นหลักประกันว่าเธอสามารถจะทำได้เธอเป็นใครไม่หวังสูงเกินไปหรือจาไม่ได้หรือว่าเธอเกิดมาฐานะต่ำต้อยเธอจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปรัชญา คนอื่นเขาจะคิดว่าเธอบ้าถ้าดีทำไมคนอื่นเขาไม่ทำไปก่อนแล้วคำถามมากมายเหล่านี้เข้ามาอยู่ในจิตใจผมดูเหมือนว่าโลกทั้งใบนี้กำลังพุ่งความสนใจมาที่ผมเพื่อเยาะเย้ยให้ผมล้มเลิกปณิธานทั้งหมดที่จะทำตามคำแนะนำของคานิคีหลังจากได้วิเคราะห์ผู้คนนับพันผมค้นพบว่าไอเดียส่วนใหญ่ไม่ได้ผล เราจำเป็นต้องใส่ความมีชีวิตชีวาลงไปในไอเดียโดยแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและลงมือทันทีการที่จะบ่มเพาะไอเดียต้องทำตั้งแต่มันเริ่มเกิดขึ้นทุกๆนาทีที่ยังมีไอเดียอยู่จะช่วยทำให้มันคงอยู่ต่อไปความกลัวถูกคนอื่นวิพากวิจารเป็นตัวทำลายไอเดียทั้งหมดทำให้เราไปไม่ถึงแผนการที่วางไว้สร้างโชคด้วยตัวเอง หลายคนเชื่อว่าความสำเร็จเป็นผลจากโชคช่วยแม้ว่าบางทีก็อาจเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าคุณมัวแต่รอโชคคุณจะพบกับความผิดหวังอย่างแน่นอนเราจะมีโชคได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างโชคให้ตัวเองด้วยความมุ่งมัน่นและจุดเริ่มต้นก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนบทวิจารณ์ในปีคิตศกราช1999มาร์กมาเยอร์ นักเขียนผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของประเทศเจ้าของหนังสือที่ชื่อว่า How to Make Luck Seven Secrets Lucky People Used to Succeed เขาอ้างถึงงานวิจัยของคณะจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย h ฮอร์ตฟอร์ดเชร์ซึ่งอยู่ใกล้กับลอนดอนเขาแบ่งกลุ่มทำการศึกษาวิจัยโดยครึ่งแรกเป็นคนที่มีความคิดว่าตัวเองโชคดีหรือไม่ก็คนอื่นคิดว่าเขาเป็นคนโชคดี อีกครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองโชคร้ายพวกเขาทั้งหมดถูกนำไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อดูการโยนเหรียญสุ่มด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละคนจะดูตัวกระตูนเอลออกมาโยนเหรียญแล้วถามว่าหัวหรือก้อยผลการทดลองพิสูจน์ว่ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายทายถูกเท่ากันกับกลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคดีในการติดตามสัมภาษณ์ผู้วิจัยสรุปว่า ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มโชคดีกับกลุ่มโชคร้ายมีเพียงว่ากลุ่มที่คิดว่าตัวเองโชคดีมีแนวโน้มที่จะจดจําแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายมีแนวโน้มที่จะคำนึงถึงแต่สิ่งไม่ดีความจริงทางวิทยาศาสตร์คือไม่ว่าจะเป็นการทายเหรียญหมุนกงล้อเลือกไพ่เป็นการสุ่มทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถทําอะไรกับมันได้ เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราพูดและทำได้แต่นอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ขึ้นกับการกระทาของผู้อื่นและโลกแห่งการสุ่มเสี่ยงแล้วทำไมมีบางคนที่ดูเหมือนโชคดีแล้วโชคก็ช่วยจริงๆไม่เยอะกล่าวว่าเป็นเพราะโชคดีต่างจากโชคร้ายตรงที่โชคดีเป็นอะไรที่ควบคุมได้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม คนที่โชคดีจะสามารถชักนาให้คุณสร้างโชคให้เขาคุณสามารถจะสร้างโชคให้ตัวเองได้ด้วยสองวิธีคือคุณต้องตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในวิถีแห่งโชคและคุณต้องทำให้คนอื่นอยากช่วยเหลือคุณเพราะเขาเชื่อว่าคุณควรค่าแก่การให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณยอมให้โลกรู้ว่าคุณพร้อมสำหรับโชคโชคเป็นสิ่งที่จะถูกชี้นาโดยคนที่เปิดโอกาสให้มัน เหมือนการเปิดประตูไม่เย่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้เฝ้าประตูคนที่มีลักษณะเป็นผู้เฝ้าประตูนั้นไม่เพียงแต่จะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยมิตรภาพเท่านั้นแต่เขายังหวังว่าคุณจะช่วยเขากลับคืนด้วยเมื่อคุณอยู่ในฐานะที่ช่วยได้เมื่อโอกาสเข้ามาคนที่โชคดีมักพยายามเปิดช่องทางแห่งโชคให้เข้ามาสู่จิตใจช่องทางแห่งโชคในตัวคุณต้องเชื่อมั่นว่า คุณควรค่ากับโชคนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือปฏิบัติและทําให้ราวกับว่าโชคดีถ้าคุณทําตัวเป็นผู้แพ้คนอื่นจะคิดว่าคุณคือผู้แพ้แต่ถ้าคุณรับรู้ตัวเองว่าโชคดีมันก็จะง่ายสําหรับคนอื่นที่จะเห็นตามนั้นและถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนอื่นก็หวังว่าความมีโชคของคุณ จะตกไปที่เขาบ้างนี่คือเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคนมีโชคได้ล่วงรู้เขารู้ว่าเมื่อเขาดูเหมือนโชคดีคนอื่นก็ต้องการจะช่วยเหลือเขามีคนรอเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความพยายามและกระตือรือร้นหนังสือของมาร์กมายอร์พยายามให้คำอธิบายวิธีการที่จะทาดังที่ได้กล่าวไปนั้น ดังที่ฮิวเคยกล่าวว่าโชคจะเข้าข้างคนที่พยายามสร้างโชคให้ตัวเองมันมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและจุดเริ่มต้นก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจบบทวิจารณ์ถ้าคุณสอบถามคนหนึ่งร้อยคนที่คุณพบบนท้องถนนว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิต 98% จะตอบว่าเขาไม่สามารถบอกคุณได้ถ้าคุณพยายามบังคับให้ตอบ บางคนจะตอบว่าความมั่นคงบางคนจะตอบว่าเงินทองคนส่วนน้อยอาจตอบว่าความสุขที่เหลืออาจตอบว่าชื่อเสียงและอำนาจบางคนอาจบอกคุณว่าเขาต้องการการยอมรับจากสังคมมีชีวิตที่สะดวกสบายสามารถที่จะร้องรำทำเพลงหรือเขียนหนังสือแต่จะไม่มีใครสามารถบอกแผนการที่จะทำให้พวกเขาบรรลุความสาเร็จสมปรารถนา ความร่ำรวยไม่ได้เกิดตามความปรารถนาของเราแต่ความร่ำรวยจะเกิดได้ต้องอาศัยแผนการที่ชัดเจนซึ่งเบื้องหลังต้องมีปณิธานที่แน่วแน่ร่วมกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจะพัฒนาความมุ่งมั่นได้อย่างไรมี4ขั้นตอนในการสร้างนิสัยมุ่งมั่นให้เราขั้นตอนเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดไม่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งยังใช้เวลาและความพยายามไม่มากนักขั้นตอนที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้ 1. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนร่วมด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะบรรลุเป้าหมาย 2. มีแผนการที่ชัดเจนตามด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3. ไม่ยอมให้อิทธิพลเชิงลบที่จะทำให้ท้อถอยรวมไปถึงคำแนะนำเชิงลบจากญาติมิตร และคนรู้จักเข้ามาสู่จิตใจได้ 4. พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่จะกระตุ้นเตือนให้คุณทำตามแผนและจุดมุ่งหมายที่วางไว้ขั้นตอนทั้งสีนี้จำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตวัตถุประสงค์สำคัญของหลักการทั้ง13ข้อแห่งปรัชญานี้ก็คือการทำให้คุณรับขั้นตอนทั้ง4นี้เข้าไปจนกลายเป็นนิสัย มันคือขั้นตอนที่จะทําให้คุณควบคุมโชคชะตาทางการเงินได้มันคือขั้นตอนที่ทําให้คุณมีเสรีภาพและอิสระภาพทางความคิดมันคือขั้นตอนที่จะนําไปสู่ความร่ํารวยไม่มากก็น้อยมันคือขั้นตอนที่จะนําทางไปสู่อํานาจชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมันคือสี่ขั้นตอนที่จะรับประกันความมีโชคมันคือขั้นตอนแห่งการแปลเปลี่ยนความฝัน ให้กลายเป็นความจริงมันคือขั้นตอนที่จะทำให้เราจัดการกับความกลัวความท้อถอยความไม่ใส่ใจได้มีรางวัลตอบแทนอย่างงามสำหรับคนที่เรียนรู้ที่จะนำขั้นตอนทั้งสี่ไปใช้มันเป็นสิทธพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถลิขคิตชีวิตตัวเองได้และทำให้คุณได้รับทุกสิ่งที่ร้องขอจัดการกับอุปสรรคอย่างไร คนที่มีความมุ่งมั่นใช้พลังลึกลับอะไรในการจัดการกับความยากลำบากคุณลักษณะของความมุ่งมั่นไปสร้างจิตวิญญาณพลังใจหรือปฏิกริยาทางเคมีแล้วทำให้คุณมีพลังเหนือธรรมชาติใช่หรือไม่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะเข้ามาหาคนที่พร้อมในการต่อสู้กับโลกที่โหดร้ายใช่หรือไม่นี่เป็นคาถามมากมายที่เข้ามาในใจผม ขณะที่ผมเฝ้าดูเฮนรี่ฟอร์ดผู้เริ่มต้นจากศูนย์จนสามารถสร้างอาณาจากัจากรอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยความมุ่งมัน่นหรือโทมัสเอเอดิสันผู้ที่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ถึงสเดือนแต่กลายเป็นนักประดิษฐ์ชั้นนำของโลกเขาแปลเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเขาให้กลายเป็นเครื่องอัดและบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเครื่องฉายภาพยนตร์และหลอดไฟที่ส่องสว่างไปทั่ว โดยยังไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อีกกว่าห้าสิบชิ้นปีแล้วปีเล่าอันยาวนานที่ผมได้มีโอกาสวิเคราะห์ทั้งเอดิสันและฟอร์ดเป็นการส่วนตัวอย่างใกล้ชิดดังนั้นผมจึงพูดได้เต็มภาคภูมิว่าผมไม่ได้พบคุณลักษณะใดเลยนอกจากความมุ่งมั่นที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ถ้าคุณลองศึกษาชีวประวัติของศาสดานักปรัชญา และผู้นำทางศาสนาจะพบข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความมุ่งมัน่นความภาคเพียรพยายามและการมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จโปรดพิจารณาจากตัวอย่างอันน่าประทับใจของท่านมูฮัมหมัดวิเคราะห์อัตะชีวประวัติของท่านเปรียบเทียบท่านกับคนที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันและสังเกตว่าทุกคน มีลักษณะสำคัญร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือความมุ่งมั่นถ้าคุณต้องการที่จะเข้าใจพลังแห่งความมุ่งมั่นมากกว่านี้และต้องการรู้ว่ามันทำงานอย่างไรผมแนะนำให้อ่านอัตตะชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดบทวิจารณ์ในตอนต้นของศตวรรษที่21คนมีความสนใจในาศาสนาอิสลามมากขึ้นเนื่องจากการโจมตีตึกโวลเทรเซ็นเตอร์ และการทำสงครามจากผู้ก่อการร้ายผู้อ่านในยุคนี้จะหาหนังสือเกี่ยวกับท่านมูฮัมหมัดอ่านได้ไม่ยากนักในช่วงเวลาที่ฮิวกำลังเขียนหนังสือคิดแล้วรวยนั้นหนึ่งในอัตะชีวประวัติที่ดีที่สุดของท่านมูฮัมหมัดเขียนโดยเอซาดเบผู้ซึ่งเกิดที่บากูอาเซอร์ไบาจานลูกของนักธุรกิจชาวยิวนามว่านัสซิมบามซึ่งต่อมา เขาได้เปลี่ยนชื่อเมื่อเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาอิสลามระหว่างการปฏิวัติในรัสเซียเขาหนีไปเบอร์ลินซึ่งเขาพักอาศัยอยู่จนกระทั่งฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจทำให้เขาถูกบีบบังคับให้หนีไปอีกที่แรกคือออสเตรียและสุดท้ายไปยังอิตาลีเป็นที่เชื่อกันว่าชายที่รู้จักกันในนามเอซเบผูน้นี้ใช้นามปากกาว่าเคอร์บันซาอิด แท้ที่จริงก็คือนักเขียนนวนิยายอาลีและนีโนที่ชาวอาเซอร์ไบาจานชื่นชอบนโปเลียนฮิล์ชื่นชอบอัตาชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดนี้มากดังจะเห็นได้จากคำแนะนำต่อไปนี้ของเขาจบบทวิจารณ์ผมแนะนำให้คุณอ่านอัตตาชีวประวัติของท่านมูฮัมหมัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานเขียนของเอซาร์เบ บทความสรุปของหนังสือเล่มนั้นซึ่งได้เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เฮลันทิบูลจะฉายภาพให้เราได้รับรู้ตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์ใจของพลังความมุ่งมั่นแห่งอารยธรรมศาสดาองค์สุดท้ายเรียบเรียงโดยโทมัสซักรูแม้ว่าท่านมุฮัมมัดจะเป็นศาสดาแต่ท่านก็ไม่เคยสร้างสิ่งอัศจรรย์ใดๆเดิมท่านไม่ใช่คนที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เริ่มภารกิจใดจนอายุสี่สิบปีแต่เมื่อท่านประกาศองค์การแห่งพระเจ้านำโลกไปสู่ศาสนาที่แท้จริงท่านได้ถูกเยาะเ ย, ะเยะ้ยและถูกหาว่าเป็นคนบ้าเด็กๆทำให้ท่านสะดุดล้มและผู้หญิงคว้างปาท่านด้วยสิ่งปฏิกูลท่านถูกเนรเทศจากเมืองเมกกะบ้านเกิดสาวกของท่านได้ฝ่าทะเลทรายตามไป เมื่อท่านสั่งสอนได้1ิปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากการไม่ยอมรับจากผู้คนความยากไร้และการถูกเยาะเยะ้ยอีกสิบปีผ่านไปท่านจึงได้เป็นผู้นำของชาวอาหรับทั้งมวลปกครองเมกกะและเป็นศาสดาแ ห, ห่งศาสนาใหม่ของโลกซึ่งกินอาณาบริเวณไปถึงแม่น้ำดานูปทางตะวันออกของยุโรปและเทือกเขาพิเรนีส ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนก่อนที่กระแสจะอ่อนกำลังลงกระแสแห่งพลังทั้งสามคือพลังแห่งคำสอนการสวดมนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและจิตใจอันพักดีต่อพระเจ้าอาชีพของท่านไม่มีความหมายแต่อย่างใดท่านมูฮัมหมัดถือกำเนิดในครอบครัวยากจนที่นครเมกกะเนื่องจากเมกกะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อแห่งโลกเป็นเมือง แห่งหินศักดิ์สิทธิ์กะบะเป็นเมืองแห่งการค้าแต่เนื่องจากสุขอนามัยในเมืองนั้นไม่ดีนักเด็กๆชาวเมืองจึงถูกส่งไปเลี้ยงดูในทะเลทรายโดยพวกเบดูอินชาวอาหรับที่ท่องเที่ยวไปตามทะเลทรายท่านก็ถูกเลี้ยงดูมาเช่นนั้นเติบโตเข้มแข็งมาจากน้ำนมของแม่นมที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนท่านช่วยเลี้ยงแกะและในม่ช้าก็มีหญิงม่าย จ้างให้ท่านเป็นหัวหน้ากองคารวานท่านท่องเที่ยวไปทุกที่ในตะวันออกกลางพูดคุยกับผู้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันมากมายและได้สังเกตเห็นความตกต่ำลงของคิตาสาสนิกชนที่มีความขัดแย้งกันระหว่างนิกายต่างๆเมื่อท่านอายุได้28ปีนางคอดียะหญิงไม้ได้เฝ้ามองท่านด้วยความพึงพอใจ และได้แต่งงานกับท่านบิดาของนางได้จัดงานฉลองสมรสขึ้นท่านได้ดื่มกินและนางได้พยุงท่านขึ้นรับคำอวยพรจากญาติทางพ่อของนางส2องปีต่อมาท่านมูฮัมหมัดก็ได้อยู่อย่างร่ำรวยและได้รับความเชื่อถือท่านค้าขายเก่งมากต่อมาท่านได้ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายจนวันหนึ่งท่านกลับมาพร้อมกับบทแรก แห่งคัมภีร์อันกุรอานและบอกนางคอดียะว่าทูตแห่งสวรรค์กาเบียลได้ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านแล้วกล่าวว่าท่านคือผู้นำสารของพระเจ้าอันกุรอานคือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการเปิดเผยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งชีวิตของท่านมูฮัมหมัดท่านไม่ใช่กวีไม่มีพรสวรรค์ด้านภาษาแต่คัมภีร์อันกุรอานที่ท่านได้รับ และท่องสวดด้วยศรัทธามีคุณค่ายิ่งกว่าบทกวีใดๆที่นักกวีได้รจนาขึ้นสำหรับชาวอาหรับแล้วนี่คือสิ่งอัศจรรย์ถ้อยคําแห่งสวรรค์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่เป็นบทกวีที่มีพลานุภาพคำพีอันกุรอานกล่าวว่าสำหรับพระเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันและโลกควรเป็นรัฐแห่งความเสมอภาคอิสลาม ณบริเวณลานหินกระบะท่านมูฮัมหมัดได้เสนอแนวความคิดนอกรีตของท่านและพยายามทำลายความเชื่อในเทวรูปต่างๆถึง360องค์เหตุการณ์นี้ได้นำไปสู่การที่ท่านต้องถูกในประเทศออกไปจากเมืองอย่างไรก็ตามความเชื่อในเทวรูปเหล่านี้เป็นตัวชักนำให้ชนเผ่าต่างๆเข้ามารวมกันในนครเมกะและเกิดการติดต่อค้าขายขึ้น ในที่สุดเหล่าพ่อค้าแห่งนครเมกะซึ่งท่านมูฮัมหมัดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านและแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงดินแดนแห่งทะเลทรายนี้และได้แผ่ขยายอำนาจออกไปทั่วโลกสกุาหแห่งอิสลามได้เริ่มต้นขึ้นนอกดินแดนแห่งทะเลทรายได้เกิดเปลวไฟที่ไม่มีวันดับกองทัพแห่งความเสมอภาครวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้ และพร้อมจะตายโดยไม่สตุกสตานท่านมูฮัมหมัดได้เชิญเชิญชาวยิวและคริสเตียนให้เข้าร่วมกับท่านสำหรับท่านแล้วไม่ใช่การสร้างศาสนาใหม่ท่านกำลังเรียกร้องให้ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเข้ามารวมกันด้วยศรัทธาเดียวกันถ้าชาวยิวและคริสเตียนยอมรับคำเชิญของท่านอิสลามก็จะครองโลกแต่พวกเขาไม่ยอม พวกเขาไม่ยอมรับความคิดใหม่ของการปฏิรูปแห่งมนุษยชาติของท่านมูฮัมหมัดเมื่อกองทัพของาศาสดาเข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็มไม่มีใครถูกฆ่าเนื่องจากศรัทธาต่างกันแต่อีกหนึ่งศตวตรรษต่อมาเมื่อนักรบในสงครามครูเสดเข้าเมืองได้กลับไม่มีการละเว้นคนมุสลิมผู้หญิงและเด็กเลยแต่อย่างไรก็ตาม คริสเตียนได้รับเอาไอเดียหนึ่งของคนมุสลิมคือมหาวิทยาลัยสถานที่แห่งการเรียนรู้